ที่วัดป่าหัวตลกพนารามวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรื่องอยู่กับใจของตัวเองโดยหลวงตานารงศัก์ขีนารโยมั่นฝึกฝนเขานะได่ว่าทำกิจการงานใดทำเลือกัวนไรนาะทำการค้าขายสิ่งใดก็ตาม ต้องให้สติหรือจิตรู้อยู่กับคำวรีกรรมวุธโธหรืออยู่กัรู้เลยอยู่กัรู้ทุกสพสิ่งแต่ตัวรู้ไม่เคลื่อนไหวสิ่งที่ถูกรู้เคลื่อนไหวให้ทำงานภายนอกไม่ให้ผิดาพาททำเลือกสวนไลนะ่นาทำการค้าขายทำกิจกรรมงานใดก็ตามให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจหรือจิตเห็นจิต ร่างกายก็ทำงานไปไม่ให้ผิดพลาดแต่ภายในสติหรือจิตที่ผู้รู้ต้องตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจทำกิจการงานใดก ว, กวาดวัดทำทำกับข้าวค้าขายทำทำไร่ทำนาร่างกายภายนอกก็ทำภ า, ภายนอกไม่ให้ผิดพลาด แต่ภายในให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจหรือจิตเห็นจิตเนี่ยแหละเพราะว่ารู้ที่ไหนก็ที่ใจก็เพราะอะไรล่ะเพราะว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดดับอยู่ในใจเนี่ยแต่ใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่มีมันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเราจะรู้ได้ไงเมื่อใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง แล้วมันอยู่ในตัวเราแต่เราหามันไม่เจอหมอให้หมอผ่าตัดก็ผ่าตัดก็ไม่มีแต่จะรู้ได้เพราะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดมันเกิดดับอยู่ในใจความรู้สึกนึกคิดตึกตององุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆทุกชนิดที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละมันเกิดดับอยู่ในใจดังนั้นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่ใจนั่นแหละ ก็รู้มันตรงนั้นแน่รู้ตรงที่ความรู้สึกหรือคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้รู้นั่นแนะคือใจใจนั่นแน่คือผู้รู้ใจมันเนี่ยมันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีรูปพรรณสันฐานใด้เลยมันคิดก็ไม่ได้มันมีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ได้เพราะสิ่งใดที่มีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มาเกิดดับอยู่ในใจส่วนใจเนี่ยมันไม่เกิดดับมันใจเปรียบเหมือนกับมัดลูกของผู้หญิง ใจเปรียบเหมือนกับมดลูกของผู้หญิงส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเลวจะกุศลนกุศลไม่ว่าจะเบาไม่เบาจะสบายไม่สบายไม่ว่ามันจะมีกิริยาการอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่มาเกิดดับอยู่ในใจคือมาเกิดดับในมดลูกจะเปียบเหมือนเด็กที่มาเกิดแล้วคลอดออกไปคือเกิดแล้วก็ ตายไปดับไปเกิดแล้วก็ตายไปดับไปเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันแล้วก็คลอดออกไปมาเกิดในคันแล้วคลอดออกไปส่วนใจเปรียบหมดหมดลูกมันไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ตองไม่กระเพื่อไม่ไหวตัวอะไรไม่มีกิริยาการใดๆเลยแต่ใจมันรู้ว่ามีเด็กอะไรมาเกิดในใจใจมันเปรียบหมดหมดลูกแต่เป็นมดลูกที่มีความรู้และไม่มีตัวตน จานั้นอะไรก็ตามที่มันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในใจนี่แน่อันนี้มันเปิดเหมือนเด็กที่มาเกิดแล้วมันคลอดออกไปให้เป็นใจเรื่อยไปเป็นใจที่รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาอาการใดๆแล้วปล่อยให้เด็กเนี่ย มันคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กิริยาการทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็คลอดออกไปดับไปคลอดออกไปดับไปส่วนใจมันไม่ได้คลอดด้วยมันไม่ได้เกิดด้วยมันไม่ได้ดับด้วยมันไม่มีตัวตนด้วยมันได้แต่รู้ว่าอะไรมาเกิดในมันดังนั้นจึงให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจ เพราะกิเลสก็เกิดที่ใจและก็ดับไปที่ใจดวงรู้นี่แนกิเลสก็เกิดที่ใจและก็ดับไปที่ใจดวงรู้นี้มันเมื่อมันเราใจไม่มีตัวตนแต่รู้ยังรู้ได้ไงว่ามีใจก็เพราะรู้ว่ามันมีอะไรมาเกิดขึ้นในใจแล้วดับไปที่ใจจำไว้ดังนั้นไม่ว่าจะทำกิจการงานใดทำเลือกสวนไล่นาทำการค้าทำกับข้าวอะไรก็ตาม จะต้องแบ่งแอบสังเกตว่ามีอะไรเกิดดับอยู่ในใจของตัวเองตลอดเวลาแต่ใจไม่เกิดไม่ดับแต่ในภายนอกต้องทำงานไม่ให้ผิดพลาดร้อยเปอร์เซ็นแต่ภายในต้องแอบดูรู้เห็นอยู่เสมอว่ามีอะไรมาเกิดดับอยู่ในใจที่พ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์ลุงุทาจารุธรรมวัฒน์ส ม, มืทรท่านได้สอนว่า การปฏิบัติให้เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็และเลมยา่าซึ่งเป็นงานประจำของแม่โคแต่ตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยไม่วางตาการปฏิบัติทำให้เอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็และเลมญ้า คืองานประจำของแม่โคก็เหมือนกับงานประจำของพวกเราตั้งแต่ตื่นมาจะต้องทำกิจกรรมนุ่นกิจการนี้ทำการงานนู่นทำการเนี่ยนี้ก็คือเหมือนกับงานของแม่โคคือและเหล็มยา้าแต่ตาของแม่โคก็แอบเหลือกดูลูกน้อยไมย่วางตาเลยก็คือตาของแม่โคก็คือเนี่ยใจเราเนี่ยแอบรู้อยู่ในใจตลอดเวลาแม้แต่ว่า เราจะทำกิจการงานใดก็แอ บ, บดูอยู่ในใจตลอดเวลาว่าลูกน้อยเนี่ยปลอดภัยไหมหรือไม่ปลอดภัยถ้าแอ บ, บดูลูกน้อยอยู่ตลอดเวลาไม่หลงไปตามกิเลสไม่หลงไปปรุงแต่งอะไรให้เกิดเป็นความทุกข์ความเครียดเป็นความทุกข์เป็นกิเลสมันก็จะไม่มีความทุกข์อะไรได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้ไม่หลงไปคิดให้เป็นรู้เป็นใจที่รู้ไม่ใช่แบบไปเป็นผู้คิด ถ้าไปเป็นผู้คิดมันจะเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นรู้ว่าใจในรู้อยู่ในใจว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นและดับไปมีความคิดอะไรเกิดขึ้นและดับไปถ้าเป็นรู้มันไม่ทุกข์เพราะว่ารู้มันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีรูปพันธสัญญาอะไรเลยเปรียบเหมือนมดลูกส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คิดเล็วปานใดก็ตามมันเหมือนกับเด็กที่มาเกิดในมดลูกแล้วคลอดออกไปคลอดออกไป ใจก็ได้แต่รู้ให้เป็นใจอย่าเป็นเด็กที่มาเกิดแล้วคลอดออกไปถ้าเราเป็นผู้คิดมันจะเป็นผู้ทุกให้เป็นผู้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรอยู่ในใจแล้วดับไปคิดแล้วดับไปคิดแล้วดับไปคิดแล้วดับไปมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปคิดแล้วเกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปแต่ใจเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะทํากิจการงานใดในทุกขณะปัจจุบันก็เหมือนกับว่าแม่โคเนี่ยและเด็มยาแต่ตาในอะตาในก็แอบเดือดดูลูกน้อยดูจิต ด, ดูใจว่ามันยังปลอดภัยหรือเปล่าหลงไปเป็นผู้คิดหรือเป็นผู้รู้อยู่ให้ดูอยู่ตรงนี้ตลอดเวาลาว่ามันเป็นผู้คิดหรือเป็นผู้รู้ถ้าไปเป็นผู้คิดมันก็เป็นผู้ทุกข์ถ้าเป็นผู้รู้มันก็ไม่มีตัวตนมันก็ว่างเปล่า ให้ปฏิบัติเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อยปากของแม่โคก็และเล็มยมยาคือทำงานประจําในชีวิตประจําไม่ให้ผิดพลาดตาตาในตาของแม่โคก็คือที่เหลือบดูลูกน้อยก็คือตาในเราเนี่ยแอบดูใจเราดูจิตดูใจเราตาของแม่โคก็แอบเหลือบดูลูกน้อยไม่วางตาทั้งท้องแม่โคก็อิ่ม ช้างลูกโคก็ปลอดภัยให้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้หลวงปู่ลีไปเยี่ยมเราที่ตอนสอนอยู่ที่วัดธรรมซับมืดของหลวงปู่ทาจารุธรมโนนี่เนเจ้าว่าถามหลวงปู่ลีเราเนี่ยว่าทำไมหลวงปู่จึงใส ย, ยิ่งนักกวา้างเปล่ายิ่งนัก มีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีอะไรเป็นวิหาราธรรมตลอดเวลาหลวงปู่ว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้ก็ถามหลวงปู่ดูนัตุโรซึ่งเป็นพระอราหาัรเจ้าแห่งจิตว่ามีอะไรเป็นวิหาราธรรมมีอะไรเป็นเครื่องอยู่จึงใสปานนี้จึงว่างเปล่าปานนี้อยู่ก็รู้ อยู่กับรู้หลวงตาถามหลวงปู่เหรียญวราโพซึ่งได้ชื่อว่าเดินทางรอบโลกภายในขณะจิตเดียวได้เคยไปขอความช่วยเหลือจากท่านไปให้ท่านช่วยเหลือท่านก็เมตตา ม, มากหละจากนั้นก็ไปสนทนาธรรมกับท่านอีกหลายครั้ง ตอนหลังได้ถามท่านก่อนมรณภาพว่าหลวงปู่มีอะไรเป็นวิหารธรรมมีอะไรเป็นเครื่องอยู่อยู่กะรู้อยู่การู้นี่อยู่การู้ทุกองอยู่กะรู้หมดไม่เคยทิ้งรู้เพราะถ้าเป็นผู้รู้มันไม่ทุกข์มันไม่มีตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีกิริยาการใดๆมันคิดไม่ได้มันไม่มีความคิดไม่มีความนึก ไม่มีความตึกไม่มีความตองไม่มีความสุขและไม่มีความทุกข์จำไว้ใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์แต่มันรู้ว่าตอนนี้เด็กที่เป็นสุขมาเกิดในใจแล้วก็คลอดออกไปเดี๋ยวมีเด็กที่มีความทุกข์มาเกิดในใจไอ้รู้มันก็ได้แต่รู้ว่าตอนนี้มีเด็กที่มีความทุกข์มาเกิดขึ้นในใจแล้วก็คลอดออกไป แต่รู้เนี่ยหรือใจผู้รู้เนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์มีแต่รูเ้เดี๋ยวมีความผ่องใสกรดีกระดาเบิกบานอันเนี้ยเป็นเด็กที่มาเกิดในใจหรือมาเกิดในคันหรือมัดรูปแล้วก็คลอดออกไปแต่ใจเนี่ยไม่มีความ กดีกระดาไม่มีความผ่องใสด้วยได้แต่รู้ว่าตอนเนี้ยมีเด็กที่ผ่องใสมาเกิดแล้วก็เดี๋ยวก็คลอดออกไปเดี๋ยวก็ไม่ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็เบื่อเซ็งกุ้มหรือเหมือนกับใจใ ห, หายหายแวบแๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกโดยไมไ่ทราบสาเหตุ ไอเ น, นี้ยมันเป็นเด็กที่มาเกิดในมดลูกหรือมาเกิดในคันหรือมันสิ่งที่มาเกิดในใจแล้วก็ดับไปแต่ใจเนี่ยมันไม่เศร้าหมองด้วยมันเพียงแต่รู้ว่ามีเด็กเศร้าหมองมาเกิดในใจแล้วเดี๋ยวคลอดออกไปจะไปเจอคนที่รู้จกักกุนเคยกันไปเจอเรื่องอะไรก็กะดีกระดาสดใสขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยความห่องใสความเศร้าหมองไม่ใช่ใจ เขาเรียกว่ามันเป็นอาการของใจหรือว่าเป็นมายาของใจหรือเป็นเงาของใจเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยกับเงาของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันสิ่งที่มีกิริยาการทุกชนิดเปรียบเหมือนเงาของเราส่วนใจผู้รู้ได้แต่รู้เนี่ยคือตัวเรา มันก็รู้แต่เพียงว่าเงาของเรามีอะไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจความสุขความทุกข์ความสบายใจความไม่สบายใจความผ่องใสความเศร้าหมองความดีใจความเสียใจเป็นเงาเป็นเงาเป็นมายาเป็นกิริยาอาการของใจหรือเปลี่ยนเหมือนกับเด็กที่มาเกิดในบดลูกแล้วข้อต่อไปดับไปแต่ใจได้แต่รู้ สุขก็ได้แต่รู้ทุกข์ก็ได้แต่รู้ผองใสก็ได้แต่รู้เศร้าหมองก็ได้แต่รู้คิดก็ได้แต่รู้ไม่คิดก็ได้แต่รู้จำไว้นะไม่ใช่ว่าไปพยายามให้มันจิตมันนิ่งไม่คิดคิดก็ได้แต่รู้ไม่คิดก็ได้แต่รู้แต่ใจเนี่ยมันคิดไม่ได้มันจึงไม่มีว่าหยุดคิดแล้วก็คิดคิดแล้วก็หยุดคิดอุปฏิบัติ ทำเกือบร้อยเปอร์เซนต์ชอบบักคับจิตตัวเองให้นิ่งเพราะมันนิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งมันนิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งเวลานิ่งใจมันก็ได้แต่รู้ว่าตอนนี้มันนิ่งหรือมีเด็กที่นิ่งมาเกิดเดี๋ยวคลอดออกไปเดี๋ยวก็ไม่นิ่งพอไม่นิ่งมันก็มีเด็กคนใหม่มาเกิดคือเด็กที่ไม่นิ่งส่วนใจมันได้แต่รู้ว่าตอนนี้เด็กที่มไม่นิ่งก็มาเกิดเดี๋ยวก็คลอดออกไป ใจมันไม่มีอาการนิ่งหรือไม่นิ่งมันมีแต่รู้เพราะใจมันไม่มีอาการเนี่ยจำเอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยมันสาคัญมากพวกเราเนี่ยมันจะเข้าใจผิดพอเกิดอะไรขึ้นเราก็เหมาเอาว่าใจเราไม่สบายพอใจเราสบายก็เลื่องล่าเดี๋ยวใจไม่สบายอีกแล้วพอใจสบายก็เลื่องล่ามันเนี่ยเข้าใจผิด ไอ้ใจสบายเนี่ยมันเป็นเด็กที่มาเกิดแล้วมันก็คลอดไปแต่ใจมันเหมือนมดลูกมันก็รู้เลยว่าอะไรมาเกิดเดี๋ยวมันก็แต่มันไม่มีอาการ ใ, ใดๆเดี๋ยวไม่สบายอีกแล้วไม่สบายเอาไม่สบายก็ไม่ใช่ใจมันเป็นอาการของใจหรือมันเด็กที่มาเกิดแล้วคลอดแล้ไปใจมันได้แต่รู้ <S <S ถ้าเราไปเหมาว่าอาการน่ะเป็นเป็นใจสเสลยเราจะปฏิบัติไม่ได้เราจะมีแต่ความทุกและปฏิบัติผิดเพราะอะไร เราจะเกียรตทุกขรักสุขเดียดทุกรักสุ ข, ด, สขดีรักชั่วชังเกียรตทุกรักสุขอยู่นั่นแนี่เราจะไปเกียรตอาการเราจะเลือกแต่อาการพอเกิดอาการที่ไม่สบายขึ้นมาเราจะดิ้นรนผัดใส่งุดอิดลำคาญทีโผล่ตีภัยเว่ๆๆแล้วเราก็ไปงุดอิดคนอื่นผ่านพาลโกโชั่งเพราะเราไปเอาอาการมาเป็นใจ เราลืมไปว่าใจเนี่ยมันได้แต่รู้อาการมันไม่มีอาการทุกชนิดมันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงมายาเป็นเพียงกิริยาอาการเป็นเพียงปรากฏการเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเปลี่ยนไปผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบนิ่งเดี๋ยวก็ไม่นิ่งว่างเดี๋ยวก็ไม่ว่างใจมันเนี่ยว่างมันรู้อย่างเดียวไม่ใช่มันมีความรู้สึกอะไรไม่ใช่มีกิริยาอาการใดๆเลยทั้งไม่ใช่ความรู้สึกว่าง ทั้งไม่ใช่ความรู้สึกไม่ว่างทั้งไม่ใช่รู้สึกนิ่งและไม่ใช่รู้สึกไม่นิ่งทั้งไม่ใช่รู้สึกสงบและไม่ใช่รู้สึกฟุ้งซ่านฟังให้ดีนะจาให้ดีนะตรงเนี้ว่าใจเนี่ยมันไม่มีอาการสงบไม่มีอาการฟารุ้งซ่านส่วนอาการสงบอาการฟุ้งซ่านมันเป็นอาการของใจเป็นกริย า, าการเป็นปรากฏการเหมือนเด็กที่มาเกิดในคานคือควะตอนนี้เด็กสงบมาเกิดแล้วก็คลอดออกไป แล้วกลายเป็นเด็กฟุ้งซ่านมาเกิดแล้วก็คลอดออกไปดังนั้นความสงบหรือความฟุ้งซ่านความนิ่งกับความวุ่นวายหรือความสงบกับความวุ่นวายความนิ่งกับความฟุ้งซ่านความค่องใสกับความเศร้าหมองความว่างกับความไม่ว่างมันไม่ใช่ใจมันเป็นเด็กที่มาเกิดในคันหรือเป็นกิริยาการหรือเป็นเงาของใจใจเนี่ยไม่มีอาการใดๆทั้งหมด ได้แต่รู้รู้รู้อย่างเดียวอาการไม่มีจงจําไว้เมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านจะไม่ปฏิบัติโดยรังเกียจเกียรทุกขลักสุเกลียดทุกขลักสุดีรักชัว่วชังท่านได้แต่รู้ได้ใจเป็นกลางผู้ใดรู้ได้ใจเป็นกลางผู้นั้นจะคนจัดทุกทางพวง พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านอยู่กับรู้ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ท่านมีอารมณ์แต่ท่านอยู่กับรู้ท่านไม่ไปเป็นอารมณ์แต่ท่านอยู่กับรู้ผู้ใดอยู่กับรู้ได้ใจเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจับทุกทั้งปวงเขาถามหลวงปู่ดูนลนตโรว่าหลวง ป, งง ป, ปงู่ยังมีโกรธไหมหลวงปู่เป็นพระรหัสยังมียังมีโกรธไหม มีแต่ไม่เอา嘛มีแต่ไม่เอาเป็นเอารู้嘛เอารู้แต่ไม่ได้เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าโกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปไม่ใช่ว่าไปมาโกรธโกรธไม่ใช่ว่ามายถึงว่าไปอากาดแคขนพยาบาทปูกใจเจ็บหมายถึงว่าอุ้ยทำไมมาทําอย่างนี้มันไม่น่าเลยเดี๋ยวกลก็อย่างหลวงปู่หลวงพี้ก็ดุขึ้นมาลอุ้ยพูดไปฟังอลวงพี่ดุขึ้นมาเฉยเฉยวิ่งขึ้นมาเฉยเฉยในกุติก็มี นีแต่มันไม่ได้ว่าโกดแค้นเครืองผูกพยาบาทอาการมันแล้วกันแล้วไปเนี่ยกวีมันอุ้ยทำไมพูดไม่ฟังเลยเนี่ยถ้าก็จะดุขึ้นมาวิ่ขึ้นมันไอ้นี่ยคือโกรธขึ้นมามาพูดไม่ฟังท่าทีอะไรเสียงค้านๆอยู่นั่นแ่ละก็อุ้ยทำไมพูดไม่ฟังท่าทีเนี่ยกวีมันเลยอย่ากัวาวกพวกันออกประตูกันรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ่ยรุ่ยเลยเนี่นยอเยอารมณ์เสียมันมีแต่เนี่ยคือโกรธ แต่มันไม่มีอยู่ในใจเพราะคำว่าไม่มีอยู่ในใจหมายถึงว่ามันมไม่เอาค้างคาแค้นเคื่องโกรธแค้นปูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทความยังไม่ตายกิริยาการทุกชนิดต้องไปดีกับฝ่ายไม่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่คู่กันตลอดจนกว่าจะตายจึงจะเหลือแต่รู้แต่ตอนยังไม่ตาย ม, มันอยู่กันรู้มันจึงไม่ทุกข์แต่กิริยาการเนี่ยมันเป็นทุกข์โยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่ตอนตายแล้วตอนแต่ตอนตายแล้วไอ้อกิริยาการที่มันตรงกันข้ามไปตรงข้ามมาเนี่ยมันดับหมดเหลือแต่รู้ที่เป็นอมตะไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่มีใครฆ่ามันได้เป็นอมตะหายตัวไปในธรรมชาติในจักรวาลส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ดับหายศูนย์ไปร่างกายขันห้าก็ดับหายศูนย์ไป ผู้ที่อยู่กับรู้จึงไม่ไปอยู่เข้าล่างใดอีกไม่ไปเกิดอยู่ในล่างใดทั้งหมดในโลกทั้งสามการมาโล ก, ลกรูปะโลกอะกรูปะโลกหลุดพ้นจากโลกทั้งสามไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปกลายไปเป็นรู้ที่เป็นอมะตะเป็นหนึ่งเดียวกับหายตัวไปในธรรมชาติไม่เหลือตัวตนให้ใครลากเอาไปลงโทษบาปกรรมทั้งหมดที่ทํำมาทุกภพทุกชาติหาตัวผู้ให้ผลไม่ได้ เพราะหายตัวไปแล้วจึงกลายเป็นโมฆะกรรมไปนี่แน่คือการแก้กรรมในพระพุทธศาสนาหรือหนังพระพุทธเจ้ามหาสัตว์โลกใช้คําว่าการไถ่าบาปของพระพุทธศาสนาหรือการแก้กรรมพุทธศาสนาการแก้กรรมไม่ใช่ไปยกกระแปงผ้าปายกกระแปงกระถินกระป่าทํานูน่นทํานี่แล้วนี่คือการแก้กรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ การแก้กรรมต้องปฏสสิบัติให้ถึงใจผู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยตายแล้วมันจึงหายตัวไปผู้ทิมาลากวิญญาณเอาไปมาเชิญ ม, ม, มาจับเอาไปลงโทษยมร ด, ดูก็ไม่สามารถหาตัว ต, วตนพบเอาไปไม่ได้เพราะหายตัวไปแล้วบาปกรรมใดๆก็ให้ผลไม่ได้เพราะ หาตัวพูดจะให้ผลไม่เจอหายไปตัวไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นอมะตะตลอดกาลสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดสินพบสินชาตินั่นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านปฏิบัติเข้ามาถึงตรงนี้เวลาถามท่านแต่ละท่านมาอยู่กับอะไรอยู่กับรู้อยู่กับรู้นี่นแหละนั่นแหละไห้จำไว้ว่ารู้ไม่มีกิริยาการ ใ, ใด กิริยาการในใจไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจะผ่องใสหรือเศร้าหมองจะสุขหรือทุกข์เป็นเพียงมายาเป็นกิริยาการที่สลับไปสลับมาหรือเป็นเพียงปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปหลวงปู่ดูลเจ้าแห่งจิตท่านจึงกล่าวว่าหรือปู่แหวนสุจิโนจึงกล่าวว่าคนโง่จะหลีกหนีปรากฏการชอบหลีกหนีปรากฏการ คนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการคนฉลาดจะหลีกหนีความหลงคิดปรุงแต่งของตัวเองคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการแต่คนฉลาดจะหลีกหนีความปรุงแต่งของตัวเองเนี่เจ้านั้นเนี่จริงใจโดยทั้งหมดในโลกนี้เป็นปรากฏการณ์ ความสุขหรือทุกข์ของสายหรือเศร้าหมองกุศลหักกุศลที่มันเกิดขึ้นมาในใจแต่ละขณะมันเป็นปรากฏการ์อยู่กะรู้ที่มันเหนือปรากฏการ์ถ้าอยู่กะรู้ก็จะพ้นจากความปรุงแต่งเพราะรู้เป็นวิสังขารหรืออสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่ปรุงแต่งหรือศูญยตาธาตุ เป็นชาติที่ไม่มีตัวตนหาตัวตนไม่ได้นั้นอยู่ก็รู้จึงเป็นวิสังขารที่สิ้นความปรุงแต่งทั้งมวลท่านจึงกล่าวว่าคนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการแต่คนฉลาดจะหลีกหนีความปรุงแต่งของตัวเองเอาไปปฏิบัตินะเตัวใกล่จะออกภรษาอยู่แล้ว